วันนี้เป็นวันมาคบูชาและเป็นวันตรงพระชนคือคล้ายกับวันตรงพระชนของพระพุทธเจา้าคือจะลาโลกลาสงสารหรอลาเลินจำแห่งวัตจกักร ละธาตุขันทิ้งเพราะเป็นทาราเวปจักขันธามาเป็นเวลาแปดสิบถ้าพรรษาแล้วหนักแบบมาถึงแปดสิบปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือธาตุคือขันอย่างอื่นเบาข้าวเรามาลั้งหนักเือก็กินไปกินไปหมดไปหมดไ ป, ดไปแล้วเบา น้ำต่างมาก็เอามาใช้มาสอยหมดไปเบาถ้าขันแบกมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเท่ายิ่งแก่กำลังฟังชาที่จะแบกจะหาไม่พอแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลาดับท่านชืงว่าพาราหาเวปัญจักขันธาตุขันตั้งห้ า, าเป็นพาระอันหนักแบกรูปแบกกายหนักแล้วยังไม่แล้ว ทัแบบทุกเวทนาที่มีอยู่ในกายแบบสัญญาแบบสังขารแบบวิญญาณซึ่งโดนแล้วตั้งแต่เป็นของนักหนักย้งทิ่มแทงหงวัวใจเราอีกด้วยมันเคียงหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้ามาภา น, นจิตใจนะพระพุทธเจ้าตั้งกระทงแบบธาตุแบบขันมีอยู่ถึงแปดสิบพระพรรษาแล้ววันนี้ พูดง่ายๆก็คือว่าโอ้ยเหลือทนแล้วว่ะลาสัทีเถอะว่ะตรงตรงพระชนตรงอายุสังขารจากนี้ไป3เดือนจะได้ดสลัดปัดทิ้งภูเขากูเรานี่สักทีว่ะเนี่ยเพิรนบรรดา พาสาวกอรหันหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอัตยสายใจน้ำใจของตนเองซึ่งไม่ต้องถูกเชื้อเชิญน้มนต์มาแม่แต่องค์เดียวมารวมกันในเวลานั้นวันนั้นโดยพร้อมเพียงถึงได้ประทานพระอวาทเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้น ให้บรรดาสาวกอรหันทั้งหลายเป็นเครื่องรุ่นให้รื่นเรงในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานเห้นั้นในบทความเายาะย่อสัปปะปัสสะการนังกุสยสู้ประสมปดาสกิตะ ป, ประโยชน์ปานังเตตังพุทธานาสาสนังนอนุปวาโดนุปคาโตปฏติโมเขจะสร้างมารมัตตานิตาจะผัดตัดนิ่งปันตัญจาสยนาสนัง อธิจิตเตจะอายโยโกเอตังพุท ธ, ธานาสาสนังนี่เป็นพระโอาวาทที่ประทานให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอาหารหันหนึ่งพันสองร้ห้าสิบองค์นั้นในเวลาบา่ายคล้ายคลาดกับวันนี้เทาวาทนั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรุ่นเริงสาหรับพระสาวกอาหารหันเหล่านั้นไม่ใช่ สแสดงเพื่อให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ซักฟอกเป็นผู้นำไปประพฤตปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลตอสวะออกจากจิตใจเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนแล้วทั้งนั้นจึงเรียกวิสุทธิอุโบสถประธานพระอาวาทในท่ำกลางแห่งพิกษุผู้บริสุทธิ์พันสองอห้าสบองค์ก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยใน ศา ส, สนาของพระเจ้าตอนที่ยังสมพระชนอดูและตลอดไปคงไม่มีซ้ำอีกแล้วที่เราระลึกถึงท่านนั่นก็เห็นว่าเป็นความสำคัญที่นำาเอาเทะาวาดนั่นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความจัดวอเหลอดอาสะวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรา สัพพะปัสสะมรรณังคำว่าบาปก็คือความสมองความทุกนั่นเองบาป ท, ทางใจนั่นสําคัญมันสร้างได้ทุกเวลาบาป ท, ทางกายทางวาจายังมีการมีเวลาบ้างแต่บาป ท, ทางใจที่สร้างความสมองขึ้นมาแก่จิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความคิดความปรุงท่องตัวเองซึ่งสิ่งที่ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุง เพื่อความเศร้ามองก็คือเป็นคือสิ่งที่เศ้าหมองอยู่แล้วสิ่งที่โซก็โผล่อยู่แล้วภายในจิตใจทำเดียวกับกิเลสกิเลสเป็นเครื่องตรงแต่งทัญญาสังขาหนีออกมามเป็นกิเลสอีกประเภทหนึห่งแล้วมักรทําจิตใจให้เศร้าหมองนี่คือการทําบาปด้วความเศ้าหมอง มันหนมายถึงหมดปิยหาโชคลาภหาผลหาสุขสมภารก็ตามอันนั้นเป็นชนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดข้างนอกข้างในสร้างบาปอยู่ข้างในสร้างความสมองอยู่ภายในกิจของตนเองใจั้งตัวเองก็เป็นความสมองนั่งอยู่ก็สมองเพราะนั่งอยู่ก็สร้างความสมองให้แก่ใจยืนเดินนั่งนอนคิดได้ทั้งนั้นคิดเพื่อความสมองใจจึงสมองได้ทุกอิยาบทท่านสอนให้ การไม่ทําความเมองนี้ประการหนึ่งจะทําด้วยเหตุใดต้องจะไม่สมองกุจะ ส, สู้ประซ้ำ ป, ประดาให้ยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะซักฟอกความสมองบาปในบทต้นนั้นออกจากจิตใจได้แล้วกลายเป็นสกิตระประโยชน์ปานังขึ้นมาคือใจจะเป็นความผ่องใสเมื่อความความฉลาดมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอก บาปความเศร้มองสกปตกทั้งหลายออกจากใจใจก็เป็นความป่องสใยขึ้นมาที่เรียกว่าสกิตะปริยุราันังเเป็นความป่องใสขึ้นมาเมื่อชำระอยู่ไม่ถอยด้วยความฉลาดบาปน้อยบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เทโววาตของพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทําอย่างนี้ด้วยกันจึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือก หากว่ามีทางที่พอที่จะเลือกให้ผรหนักผ่อนเบาได้ไม่มีใครที่จ ะ, ะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคงจะสารเปลให้พวกเราทได้ซ้าไปสารเปลให้นอนอยู่สบายสบายเนอะเราทำทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยเนอะให้สบายเลยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งหมดเนี่ย ถ้าโอวาอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาหมายภานอนอยู่เปพสบายถาเถอะเเพเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะสอนอย่างนั้นแต่นี้มันไม่มีไม่มีทางที่จะทําได้อย่างนั้นถ้าองค์เองแต่ละพระ อ, องค์ซีบจงบําเพ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าชาระกิเลสออกหมดจากพระทยัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ชาระด้วยวิธีเปลวิธีหมอน พอจะสร้างเปยสร้างหมอนในพุทธบริษัทได้รับความสะดวกสบายไปที่ไหนหาถามเปยหมอนนั้นไปเพื่อแก้คิเด็กจะได้สะดวกสบายเลยไม่มีเอจึงต้องสอนลงในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมนี้ดับดับดับเทิดพระพุทธเจา้าทุกพระองค์ทรงเลือกเฟ้นเต็มสติกําลังความสามารถแล้วที่จะได้ธรรมะมาให้เหมาะสมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย คว่าเหมาะสมนั้นไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับความชอบใจของบรรดาสัตว์ความเหมาะสมในการแก้กิเลส ข, ของสัตว์โลกนั่นเองมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นปุ่ณ์นึยง่ายไไว่านี้มีสปปรร า, าราวัฏะอกรนังกูจะสู้ประซึมประดาจักกิตตปโยตปนังนี่เท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใด ที่กิเลสจะกลัวกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้มีวิธีนี้เท่านั้นน่ะประิยาไปอีกก็ก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโดจะไปกล่าวร้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีอนุปคาโตอยากฆ่าอยากทำลายหรือทำร้ายสัตว์หรือมนุษย์เนี่ยไม่ดีนี่นนนนน ภาติมโมคเคจะสังวโรให้สร้างรวมอยู่ในข้ออัจข้อธทรรมที่จะเป็นเครื่องตอดถอนกิเลสมัตตัิตาจะผัดตัดสมิงมรู้จักประมาณในการดูการกินดูปว่วยอย่าให้ฟุ่งป่วยจนเกินเหตุเกินผลั้งทำหน้าปฏิบัติสอนอย่างนั้นรู้จักประมาณนี่ ปันปัญจะศยนาสนั่งแสดงหาที่นั่งที่นอนอัมสงัดเพื่อคําจัดกิเลสด้วยความวิเวกนั้นๆเนี่ยอธิจิ ogo, ตเตะจายโยโกจงประกอบติดให้ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับนี่ขยายความออกมานะ่ก็มีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเอตังพุท ธ, ธาศาสนาเหมือนกันนี่เป็นคําสอนพระุทธจ้าทุกๆองค์เช่นเดียวกันเนี่ยท่านเลือกเฟ้นเต็มกําลังความสามารถแล้ว ไม่มีถ้าจะเราก็พูดอย่างแปลภาษาเราให้สบายสบายท่านพยายามหาหมอนให้พวกเราสบายสบายหาเสือ่อหาหมอนหาที่นอนหมอนมุ้งไล่ยุงออกหมดอย่าให้มีอะไรมารบกวนเลยอยู่สบายสบายพวกนี้กิเลสจะได้หมดไปด้วยวิธีนี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงธทำเพราะทําแล้วไม่เกิดประโยชน์เวลา ประกาศทําให้เป็นเครื่องดุ่นเดืองแก่บรรดาสาวกท่านก็ต้องประกาศอย่างนี้เวลาสอนสาวกเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระาราหันท่านก็ท่านก็พยายามสอนวิธีที่สัพภาวาสะกำนังนี้ทั้งนั้นเนี mm ่ย hmm. ึงเป็นความจําเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะทำที่เด็ดให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลําดับับในพระโอวาทที่กล่าวมานี้เท่านั้นนะ ยากก็ต้องไปแถะทางนี้ลำบากหุกระสะดวกสบายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นที่จะเป็นความเดินลัดตัดตรงไปเพื่อความพ้นจากทุกตัวประการทั้งปวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกนี่พระอาวาท น, นี่ถึงใจพวกเราไหมพี่นายถึงพระไทยพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ถอดออกมาจากพระไทยมาสอนพวกเรา พวกเราถึงใจไหมพระองค์ให้ด้วยพระเมตตาเต็มพระทยัยพวกเรารับดวกความจงรักพักดีเต็มจิดเต็มใจมากน้อยประการใดบ้างหาว่าการรับทําดุกจะทิ้งสีทิ้งเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่สมเจตนาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระวตาที่ให้โอ้ทุกขัง เดือนมาแล้วถึงวันเดือนหกเพนก็เป็นวันรงตรงสังขารที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันเดือนสามเพนเช่นค้ากับวันนี้จากนั้นมาก็เรื่องท่านเรื่องขั้น ถิ่นบังคับหรือกอบกวนนี้ก็หมดสึ้นไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาีิเสษสานิพานล้วนๆหมดความกังวลหมดความนับผิดชอบในสมมุติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยทัานนี้เรียกว่าเหนือโลกโลกก็คือสมมตินั่นเองสมมุติน้ยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้น สามโลกคือโลกของความสมมตุติของความเสียสันของความแปรปรวนโลกแห่งอันนี้จังทุกข์ของหน้าตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้ตลอดสายไม่ว่าจะเป็นพบใดชาติใดเป็นโลกที่หมุนไปด้วยอันนี้จังทุกข์ของหน้าตาเป็นเจ้าอำนาจเป็นทางเดินใครจะ ห, ห้ามไม่ได้พอต้นจากนี้แล้วก็หมดปัญหาไป นิจขาโตบริีบูโตน่คือดับสนิทไม่มีสมมุติใดๆเหลืออยู่เลยธรรมนี้เป็นเครื่องกังวานอยู่ในความจริงที่พระองค์สอนไว้ทุกแข่งทุกผนถ้าเราได้น้อมประพฤติธปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทเหล่านั้นก็จะมากัางวานอยู่ภายในจิตใจของเรา เบื้องต้นก็าจะกลงวานอยู่ในความสงบรวมเย็นภานานจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นๆแล้วก็จะกลงวานอยู่ด้วยปัญญาความพิจิตรค้คนหาเหตุหาผลเพื่อตั้งตนหลุดพ้นอรกได้เป็นระยะระยะสุดท้ายกับกังวานถึงความบริสุทธิ์ุดท้นโดยประการทั้งปวงนิจฉาโตเป็นิบุโตดับความหิวโหอยอะไรทั้งหมด เพรกิเลสทุกประเภทเป็นเชื่อความหิวโหวยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลสเราจะยกน้ํามหาสมุทรมาทั้งมหาสมุตรก็สู้ความหิวนี้ไหมไม่ได้นัตติตันหาสมานาัตถิความหิวโหวยที่เ้วยอํานาจของกิเลสนี้จะเอาแม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้ มีเต็มอยู่ในหัวใจของสาตร์โลกไม่เคยบกท่องเลยตลอดการไหลไหลไม่ว่าหน้าแรงหน้าฝนข้างขึ้นข้างแรงไม่ได้เหมือนน้ามหาสมุทรซึ่งมีการขึ้นการลงแล้วจะเอามาสู้น้ำมันนี้ได้อย่างไรแล้วนี่จะหืี่ยแห้งด้วยวิธีใดหวี่ยงแห้งด้วยการวิตโดยทางความภาคเทียนของผู้ปฏิบตัติค่อยหมดไปหมดไป ถอนทุกวันพิจารณาทุกวันเข้าใจทุกวันปดเปื่องเพได้ทุกวันน้ำ ม, มันนี่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะักเท่าขันเ่านีหเนี่ยรูประขันเวทนาขันทัญญาขันทั้งขานขันเนี่ย ม, มันก็มีเท่านี้แหละแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจิตที่ยึดที่ยึดที่ถือแผ่นดินทั้งแผ่นนันก็ไม่ไปยึด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 น้ำท่วมนี้เราเคยได้ยินแต่น้ำท่วมปอดมหมอฉีดหรือสูบออกช่วยน้ำกิเลสปัญหาสภา ว, วะมันท่วมจะเอาอะไรมาสูดดูดออกล่ะถ้าไม่เอาจัดทาความเพียรสติปัญญาที่เท่านั้นไม่มีทางต้องเอาอ่านี้ดูดออกคนที่พิจารณาให้มันเห็นธาตุตามเป็นจริงมันไปถืออยู่กับอะไร แต่สำคัญอะไรอืมธรรมดากิเลสมันต้องอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าต้องอวดดีกว่าธรรมอวดดีต่อธรมรมจึงเป็นคู่แข่งของธรรมความยึดความถือนี้เป็นเรื่องของกิเลสการที่จะแก้ที่ถอดถอนกิเลสนี้คือธรรมถอนโดยปัญญาปัญญาก็คือธรรมสุดพ้นไปแล้ ว, ลวความสุขก็คือนิพพานะธรรม응 ที่สุดที่ทํามนี่เป็นคู่แข่งกันตลอดเวลาเราพยายามอยาให้แพ้สิ่งเหลา น, นี้เวลานี้เราขึ้นเวทีแล้วอันเป็นแชม์เปี้ยนใช่สู้ไม่ถอยตายเท่านั้นถึงใจเขาหาลงเวทีถ้ายังไม่ตายล้มลงก็พออะไรสู้สู้ไปสู้ไม่ได้ก็แช่งมนบนเวทีไปไหล่ี่มันนักสู้วะ สู้เขามัาน่าก็ด่าพ่อด่าแม่เข้าไปเลยกว่าฉันมีอาวุธอันนี้นะ่ะเพราะว่านั่นทีต่อยไม่ได้ <c oughs> ฉั้นสู้ไปฉันต่อยได้ฉันล้มลงก็าปากฉันต้องล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มี ว, ะวะักว่าสู้มันถึงขนาดนั่นเลยทิ้งได้ว่านักรบหนาอืมนีม่เราเทียบนักรบม่ใช่หมายถึงว่าไปด่าไปแช่งเข <c oughs> อื่นไม่ได้นะเออหมายถึงว่าเราสู้นี่เละอมขนาดนั่นนะ เราเห็นไหมเราครูบาอาจารย์เราเห็นประจับแบบนี้ที่เราได้กราบว่าบูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นน่ะแล้วท่านก็ได้ ช, ชนะมาด้วยวิธีนี้แล้วแค่เอาท่านเอาวิธีไหนมาสอนพวกเราในสอนแบบบุญแเปรียอย่างว่านหรอท่านอย่างนั้นพระพุทเจ้าเอามาสอนแล้วนี่ครูบาอาจารย์นี่นจะไปอวดดีอวดดีเอนั้นมาสอนดูจศีได้วยเลยน ะ, ะต้องอความต่อสู้ความทรหดอดทนพิจนาคลิกแพงเปลี่ยนแปลง เรื่องปัญญงังของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในนี่เป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมคมสามารถที่จะถอดถอนตนได้จากหลมลึกที่มันตักจมอยู่ภายในธาตุในขันนี้เป็นเวลาหลายกับนับไม่ถ้วนสุดท้ากับปรับอยู่ที่กิตถอดถอนมันไปหมดถ hmm. อดถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากทานาาาน้ําทานลมธาตุฝานี้ ถอนจิตัองเราออกจากทุกเวทนาที่เข้าใจว่าเป็นตนนี้รูปถอนออกจากขวามรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอนออกาเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ถอนออกจากสัญญาสังขารนิยามที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยออกพยายามถอดถอนตรงนี้ด้วยปัญญาเอาให้ทัน จิตเป็นของละเอียดเราเป็นของวิเศษวิโสธาตขันนี้วิเศษวิโสอะไรถึงจะแบบไปหามเขาไปยึดไปถือเขาถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเต็มภูมิถึงไปยอมแบกสิ่งที่ยาบอยาห่างเลยนะลานแล้วก็ไม่แบกบน่รู้เท่าทันปล่อยมันตามสภาพของมันเนี่ยเป็นแบบมันทำไมโคนลงไปสกิปปัญญามี แล้ไม่ต้องกลัวเราเรื่องตายนั่นกลัวไปหาอะไร ค, ครําคกลวมเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วกลองกลัวทําไมสร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายแน่แล้นั้นมีอะไรตายนี่กิเลสมันโกหกเราอยู่ตลอดเวลาเผลอแป๊บเดียวมันเข้าย่องทํามาแล้วนะเราจะตายวันไหนจะตายวันนั้นตายวันนี้อตายที่นั่นตายที่นี่เลยคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละดูดูคิดยุ่ง ถ้ามันอยู่เฉยไม่ว่าอะไรเราเป็นคนดุ้งเองก็คือใจเป็นคนดุ้งเองอ่าใ จ, จว่ารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบอะไรมากรอควรตัวเองไม่ใช่รับผิดชอบทําอย่างนั้นการรับผิดชอบตัวเองต้องเป็นไปด้วยปัญญาพิจารณาถอดถอนพิจารณาปลดเปลื้อความกังวลวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นการตายาการเจ็บไข้อะไรๆเปลื้องมันให้มันเห็นความจริงไปซะทั้งหมดนั่นก็สบายเท่านั้นแหละมีความสบายอยู่ที่ตรงนี้ ความรับผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้ทยายชนะก็อยู่ที่ตรงนี้ยินแต่ขาวท่านเป็นพระราชฎ ร, าาร์หัรเช่นพระทหารหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์นี่ยินแต่ขาวท่านคุณนั้นสําเร็จโสดาคุณนี้นสำเร็จสกิทานั้นสําเร็จอนาคาคุณนี้นสําเร็จอระระพรหัต ข่าวของเรามันมีแต่ความอ่อนความแอร์ความทอแท้ท้อถอยอความอับเฉาเบ า, เบาความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายมันจะข่าวของเราข่าวของเราเป็นไปอย่างนั้นนี้มันก็ข่าวของเราเป็นงัั น, นก็ทุกมัก็เป็นข่าวของเราความจมกักก็ข่าวของเราอีกแหละเนี่ย ที่ไม่ปรารถนามันก็มาเป็นข่าวของเราเพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดีธรรมะนี่วว้เพื่อใครว่างั้นหรือไม่ครัที่สอนวันนี่สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นธรรมะนี่สอนเพื่อใครท้าไม้สอนเัื่อเราอสอนเัื่อเราเพื่อให้แก้อะไรแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่แน่มันก็ไม่อยู่ที่นี่ ก็เหมือนทุกพระพเจ้ามาทรงชี้แจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้สดสดร้อนร้อ น, อนใครที่ไหนทำมาวยเจ้าอยู่กับตัวของเราแล้วจะไปฆ่าตันหมายพระทีเจ้านิพพานอยูที่นูนที่นี่ถ้าทำตันสอนทั้งโน้มทั้งนี้ความจริงไม่มีการมีสมัยอมีอยู่กับบุคคลทุกคนผู้สอะแสางหาความจริงออื ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ล้าสมัยไม่มีการไม่มีสถานที่มีอยู่กับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกกา ร, ท, กการทุกเวลาในใจของจัตติโลกเว่าข้างตุกการนู้นหรือครั้งนี้เป็นคนมีกิเลสด้วยกัน <Yeah. S 1> การแก้กิเลกก็ต้องแก้ด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราด้วยกันมันจะห่างเหินกันที่ไหนไม่ได้ห่างนี่แก้ให้ถูกจุดเถอะพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้น มันสว่างสวัยสิบสี่เบิกออกตรงไหนมันปิดปกปิดกำบังใจมันมีขุนมีมัวตรงไหนจ่อปัญญาลงไปนั้นจ่อสติลงไปตรงนั้นพิจารณาอันนั้นเป็นอารมณ์มันสศรมองที่ไหนความสศรมองเป็นสภาพมันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยเหมือนับความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอันนี้มืดผูท้ที่รู้ว่ามืดมันมันไม่ม ม, ม, ม, มันมันไม่ได้มืดเนอถ้าว่ามันก็รู้มืดมันก็รู้อืมมืดข้างในภายในใจเราก็รู้อับเฉามันก็รู้ผ่องใสมันก็รู้นั่นผู้รู้รู้อยู่ปัญญาพิจารณาเข้าไปถือเอาจุดหรือถือเอานั่นเป็นเป้เปาหมายพิจารณาเราอย่าไปตกใจอย่าไปดีใจเสียใจกับความเศร้าหมองกับความอับเฉาที่ปรากฏขึ้นมาจิตใจ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 ไม่ในเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอาการอันหนึ่งที่จะให้เราทราบเมื่ออาการเหล่า น, นี้มันหมดไปก็เหลือแต่ความมึนสุดล้วนเท่านั้นแล้วไม่ต้อ ง, งไม่ได้กังวลกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปอการที่เราได้พิจารณาและได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านี้เสมอภายในใจิตใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้ยังมีก็ต้องประกาศความมีของตวให้เราทราบถ้าเราต้องการความจริงก็ต้องดูดูความจริงที่ปรากฏขึ้นทั้งความเศร้าความใสทั้งความอับเฉาทั้งความตูกความทุกข์ยิ่งปรากฏขึ้นมาเป็ชื่อว่าเรารอบด้วยปัญญา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราจะต้องรู้กันทั้งนั้นด้วย ป, ปัญญาของเราอมเรียนจบจ บ, จบตรงนี้นะไม่ไจบที่ไหนจบปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่ามันไปรงั้นหมหาเรียนประโยคสามประโยคสีประโยคห้าประโยคเก้าว่าอะไรงั้นเน่ยนั่นนอกนั่น ลำดับลำดาเท่าไรก็มันสิ้นจุดสิบห้าประโยคสามสิบประโยคก็ว่าเป็นกันไปได้แต่กิเลสมันไม่สร้างเป็นประโยคไหนที่มันหกอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลาเอียมันต่ําเต้าคนเมื่อไหร่อํานาจมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าฉลาดมันก็เหยียบย่ำทำลายมันลงไปได้เนี่ยนีเราสร้างคุกที่ตรงนี้เดืนอนความรู้เรียนที่ถึงนี้ยาตรีมันรอบตัวสีตมาที่ปัญญา ปัญญาตรีอ๋อตงนี้นี่โทก็เลื่อนท่านเนไปอเอกท่านมีเอกกิจเอกธรก ร, รมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวอย่างเราเห็นนคนตาบอดข้างหนึ่งเสียยังเหลืออยู่ตาข้างเดียวก็ว่าเอกอยานเป็นเอกแบบนั้นถ้าเอกแบบนั้นแหละมันเอกอยู่ที่สองที่เสร็จนะอืมมันบอดข้างหนึ่งแล้วยังเหลืออยู่ตาเดีย ว, ยวแล้วมันจะชมมันเอาทําลายตาให้อกเสียเอาที่นี้จะชมไปแค่ไหนมันไปไม่รอด อเอกแบบหนึ่งแดบ น, นี้เอกของพระเจ้าจริงเอกกิจเอ ก, ก, กธรรมเรียนให้ถึงขั้นปริญญาเอากนี่เองปริญญาปัญญาก็รู้รอบมสิมันต้องจะเป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้ยังไง ร, รอบเจาของนี่แหละจะของมันโง่ปัญญาก็มาไก่กลองที่นี่ปีนาทำละถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวท่านทำแค่เป็นอันเดียวจิจกับธรรมเป็นอันเดียวกัน พุทธัทงธรรมังสังฆังสันนังกระฉามิลงในธรรมอันเดียวทั้งนั้นาธโมปดีโปสว่างกระจ่างแจ่อยู่ตลอดเวลาอาการลิโกนี่คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการอันนี้เป็น แ, ท, แท้ธรรมแท้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธัทงธรรมังสังฆังสันนังกระฉามิเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเจรณนะาย่นเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใน องค์แห่งความรู้จุดภายในใจพวงเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสัญลักษณ์ทั้งสามนั้น่านเห็นชัดเจนภายในติดใจเชื่อสร้างสัญลัณ์ขึ้นภายในตัวเองอัตตาหิตุนาโถเต็มผู๋ไมต้องอศาศัยอะไรแล้วนี่พุทธะนี้ชั้นใดธรรมนี้ชั้นใดสังขารนี้ชั้นใดพุทธธรรมนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหน เอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอาทำทัานดวงในความบูสุษเราบูชาท่านเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุทธของท่านชั้นใดพุดทธของเราฉันนั้นทำนั้นชั้นใดทำนี้ฉันนั้นเป็นอันเดียวกันเลยไม่สงสัยแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่สงสัยเพราะเป็นอาการนหนึ่งทาาหนึ่งขนันท่านปล่อยท่าขันตั้งหะ ในสถานที่นั้นการเวลานั้นปีนั้นพอสอนั้นพระสงเ์ชาวโลกก็เหมือนการท่านนิพพานไปแล้วหายไปหมดสูญสิ้นไปหมดไม่ต้องในคิดอย่างนั้นนะต้องเป็นความเห็นผิดก็ควรไปบมกเปล่าสังโคคืออะไรก็คือผู้ทรงผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในขณะนี้นั่นแหละคือสังโคแท้หาได้ที่ตัวของเราเป็นอัตตาหิจันโนนาโถสร้างที่พึ่งให้เพียงพอ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 โลกเขาไม่มีอะไรล่ะมีแต่ใจของเราไปกังวลกับเขาอย่างเดียวหาเรื่องหาราวมายุ่งตัวเองตัดออกด้วยสติด้วยปัญญาของเราเห็นไหมเห็นเลยอยู่ที่ไหนก็เราคนเดียวอืมอยู่คนเดียวเท่านั้นแ่ะเกิก็เกิดคนเดียวลุ้มล้อมอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ผู้เกิดในขณะ น, นั้นคือเราเท่านั้นเนี่ยเจ็บกับเราเท่านั้นผู้เจ็บตายก็เราเท่านั้นผู้ตายคนอื่นตายแทนไม่ได้เจ็บแทนไม่ได้แล้วเป็นคนตายเองแทนเราต้องเป็นคนทั่วตัวเองอามาถึ้งธนูนาโถ ổ. ด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่งของพระเจ้าแผ่นตรงพระชนตรงอายุสังขารในวันนี้แล้วก็โปรงงกิเลสตัณหาอาะวะมันตก ใ, ในวันนี้ตัวนี้แหละตัวสำคัญตรงให้ตกเสียการตายเมื่อไหร่ ตามมันจะไปตายวันนั้นวันนี้ดังพระพุทธเจ้าท่านว่าก็ไม่สําคัญนะสำหรับเรานะมันหมดลมหายใจเมื่อไหร่เป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราแล้วเอาแค่มดลมหายใจหมดแค่นั้น <c oughs> ถ้าลมหายใจยังมีอยู่มันก็ยังไม่ตายเอ้าหายไปเรื่อยไปเป็นปัญหาอะไรก็ยังเห ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งือนลึกลงๆแรงๆสําคัญก็คือว่าสร้างหลัเกเพื่อให้ใ จ, จิตใจมันเป็นอัตโนะอัตตาอตาิจตโนนาโถอย่อางเต็มภูม นั่นเป็นที่พึงพอใจองการเป็นการตายตายที่หนตายที่นี่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมติละการแสดงกรรมก็ยัสงสมบวญอาุติเพียงนั้นี้